ซับหลักๆมีสองอย่างซับทางกายเรียกว่พวกซับทับซับทางใจเรียกว่าอริยซับนั่นก็เราต้องการซับแบบไหนการพวกซับอริยซั์มองไม่เห็นเลยในซั์ แต่ว่าเป็นทรัพย์ที่เอาเป็นไปได้ด้วยทุกภพทุกชาติอริยทรัพย์นี่เก็บไว้ที่จิตวิญญาณแต่พทรัพย์เก็บไวท้ที่กายกายแตกกับพพทรัพย์ก็หมดแต่อริยทัพย์ถ้าจิตแตกดับอริยทรัพย์ก็จะเป็นตัวรักษาสายจิตต่อไปนั่นให้ดำอุดมรรรทรัพย์อริยทัพย์มีศรัทธามีศีล มีเ i ริ a r c h y ตปงมีสติสมาธิปัญญาพุทธิภิกษุญายิสัพย์เ น, นั้นการที่เราศึกษาเบื้องต้นเนี่ยให้เราชัดในเป้าหมายก็ก่อนว่าเราต้องการอะไร <c oughs> เป้าหมายที่เราสวดมีห้าอย่างใช่ไหมเอกายโนมโคสตานังวิส e ุติยา ah ว่าทางนี้เป็นทางเดียวนะยจะต้องไป สู่เป้าหมายห้าอย่างห้าทางนี้เป็นทางเดียวแต่ว่าให้ได้อ น, นี้สงห้ายอย่างประการที่หนึ่งทำให้จิตของเราบริสุทธิ์มีเป้าหมายหลัก <c oughs> ให้เราจิตของเราบริสุทธิ์ี่บริสุทธิ์หมายก็ว่ามันเหมือนกับใบบัวนะ่ะที่เวลาฝนตกมามันไม่เปียกอะไม่เปียกฝนฝนจะตกทุกวันใบบัวก็ไม่เปียก จิตบริสุทธิ์หมเพราะว่าเราจะคิดทั้งวันแต่จิตเราก็ไม่ได้เศ้าห <c oughs> มองอาจจะรับรู้เรื่องลูกเสียงกิตและสัมผัสทั้งวันแต่ว่าจิตของเราไม่ได้เศ้าหมองไม่ได้เปียกปอนไม่ได้อ่าเอาร้อนไปด้วยจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่ามันไม่รับรู้อะไรนะมันรับทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างแต่ว่ามันเหมือนไปบอลรับแล้วก็ตกไป ไม่เก็บไว้เอลปะห์นาอย่างนั้นอันที่สอง <c oughs> ทุกกะโทมนานัสานังทุกะกะโสกะปริเทวานังสมมติกมามริยะสามารถก้าวข้ามความทุกข์โศกความไม่สบายความวิถีวิล า, ายลำพันธ์ความไอ ไม่สบายต่างๆก้าวข้ามมันได้นั่นแสดงว่ามันมีอยู่แต่ว่าเรา <c oughs> ข้ามมันได้สมติกมายะก้าวข้ามความสุขเศร้าที่ไหลล้ำพันนะอันที่สองคือสามารถก้าวข้ามสิ่งที่เป็นความไม่สบายใจทั้งหลายได้อันที่สามทุกรทรมนัสานังอัตถังกมยะสามารถทำให้ความ ไม่สบายกายและไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่มีที่ตั้งเีเรานั่งไป น, นานมันโปวดขาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทุกขะในความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจนะทุกขะโทมนัสสารนั่นเพราะนั้นบอกว่าความไม่สบายกายถ้าเราจะให้มันตั้งอยู่ได้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนมันใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันมันตั้งอยู่ได้ไหม ไม่ได้หรือนนว่าเราก็พยายามปรับเปลี่ยนนั่นเองนี่คือการมีสติความทุกข์กายทุกใจจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่สบายใจเกิดขึ้นทำไงเราก็ปรับมันออกไปวิธีปรับก็แล้วแต่ว่าใครฝึกได้ถูกต้องใครฝึกถูกต้องกจ็จะมีวิธีาการอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หนึ่งสองสามลอันที่สี่ก็คือยาย ยาเยสสัตธิกรรมายะจะเข้าถึงธรรมที่สมควรแก่ธรรมหมายความว่าเราจะเข้าถึงธรรมตามความสามารถของเราเรามีความสามารถความพยันมันเพียรความศรัทธามากเท่าใดเราก็ถึงมากเท่านั้นแล้วก็จะทำเข้าถึงธรรมที่ถูกต้องด้วยคือถูกต้องที่จะถึง ทำที่ไม่เห็นเราก็จะเห็นทำที่ไม่รู้เราก็รู้ทำที่ไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจทำที่ไม่แจ้งเราก็จะแจ้งอันนี้คืออันที่สี่อันที่ห้า <c oughs> น, นิพพานสสะสกิรนัตถายะทำพระนิพพานให้แจ้งอืมข้อนี้สําคัญทำพระนิพพานให้แจ้งหมายความว่าพระนิพพานมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่แจ้งยังรับอยู่ รับอยู่ในกายในใจของเราทำให้ อ, ออกมาให้เห็นได้ครับพอดิพานให้แจ้งมันยังไม่แจ้งมันยังไม่ชัดเจนมีอยู่ที่ได้บอกว่าความโลภและความไม่โลภสองอย่างนี้มีอยู่ในใจของเราใช่ไหมใจของเราโลภตลอดเวลาไหมไม่ได้ตลอดเวลาบางครั้งเท่านั้นบางครั้งที่มันไม่โลภเรารู้ไ้ยว่าจิตไม่โลภเป็นอยางไร ความโกรธและไม่โกรธก็มีอยู่ใช่ไหมความโกรธเป็นสังสารวัตรความไม่โกรธเป็นนิพพานความไม่โกรธขนาดนี้มีไหมถ้ามีอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีก็เป็นนิพพานไม่ได้ถ้ารู้อยู่ว่ามันมีแสดงว่ามันไม่แจ้งแต่เรารู้อยู่ว่าเออความไม่โกรธมีอยู่แล้วก็รู้ว่าเออความไม่โกรธเป็นอย่างนี้นิพพานก็แจ้งความหลงและความไม่หลงก็มีอยู่ ขณะที่เราหลงไปแล้วก็ค้นหาทำความไม่หลงให้เกิดขึ้นมาได้พอความไม่หลงเรารู้ออาจิตจิตไม่หลงมันเป็นอย่างนี้เองนิพพานเ็ปรากฏเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละกิเลสมีอยู่ตรงไหนนิพพานก็ม่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราจะทำให้เกิดได้ไหมวิธีทำให้เกิดทำยังไงพอจะ น, นึกออกไหมความ มีแต่ความไม่คิดก็มีอยู่ใช่ไหมเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราจะทำยังไงทำอย่างไรให้ความไม่คิดปรากฏเอาอะไรไปทำ<ม>นี่นี่คือเรามาทำจุดนี้นะเรานะทำในสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีแต่เราให้รู้จักรู้จักสิ่งที่มันรู้จักวิธีว่าวิธีที่จะทำเรามาศึกษาวิธีการ เรามีทุกความไม่ทุกก็มีอยู่ใช่ไหมทำยังไงให้มันมีรู้จักวิธีเรามีความเบื่อความไม่เบื่อก็มีอยู่ดังนั้นใช่ไหมแล้วทำยังไงให้ไม่เบื่อนี่มันมีวิธีเรามาสแสวงหาวิธีเท่านั้นเราปรารถนาอะไรปรารถนาความไม่ความรวยก็เนความไม่รวยก็เป็นความจนก็มีความไม่จนอยู่ดังนั้น ความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เราหาเจอบ้างไหมทั้งสองภาพนี้มีตลอดใช่ไหมใช่ละฟันตลอดแต่เรามักจะหาสภาพคงค่าของสมองเบื่อนะี่ะมักจะแสวงครับความไม่เบื่อในขณะที่มันเกิดมีแมมวันนี้ความเบื่อมีใช่ไหมเราก็ยังแสวงหาความไม่เบื่อบ้างไหมแสดงว่าถ้ายังไม่แสวงหาแสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีเนะี่ย ธียังไม่แก่ก้าวพอเพราะนั้นก็ทำไปไปบ่อยแล้วมักก็วิธีมันจะเกิดขึ้นนะอันนี้คือความตั้งใจของเราที่จะทำเสร็จแล้วในอันนี้สงห้าข้อเนี่ยหนึ่งสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เหมือนใบบัวอันที่สองเราสามารถก้าวข้ามความโศกเศร้าพิลัยลำพันธ์ความวุ่นวายความสับสนได้ <ALISSA> ไม่ยากถึงมันจะมีอยู ja ่แต่ข้ามมันได้อันที่สามความไม่สบายกายไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้อันที่สี่เราจะเข้าถึงธรรมในส่วนที่เราทาทาขึ้นตามความสามารถของเราได้เป็นธรรมที่ถูกต้องที่เราสามารถเข้าถึงได้อันที่ห้าทมภาวะแห่งดับ การเย็นความสงบขึ้นได้ในท่ามกลางความไม่ดับไม่เย็นไม่สงบนั่นเองแต่ทําให้มันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีวิธีการนี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะอสามารถทําให้เกิดได้แต่นี่วิธีการอมาดูวิธีการทำอย่างไรวิธีการให้ดูความต้นให้ดูอะไรก่อนเอาใจตั้งไว้ที่ไหนเอาใจตั้งไว้ที่ รูปกบบนามาแต่เราตั้งเอาใจไปตั้งไว้ที่ความคิดเอาใจไปตั้งไวท้ที่ชอบหรือไม่ชอบเอาใจไปตั้งที่เบื่อเซ็งเงงเหงาเอาใจตั้งไว้ที่วิตกกังวลเนี่ยถ้าไปตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้องไปตั้งที่รูป คือหมายความว่ามีารูปในตัวเราเนี่ยมีกี่รูปในตัวของเราเนี่ยมีกี่รูปตอด เ, เวลาเนี่ยมันมีกี่รูปนะกี่รูปหนึ่งรูปทางตาสองรูปทางหูเรีย ว, ว่าเสียงสามรูปทางจมูกเรีย ว, ว่ากลิ่นสี่ รูปทางรสเกิดที่ลิ้นห้ารูปทางกายเกิดที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งถึงหกรูปทางใจนะรูปทางความรู้สึกเนี่ยเอาเรามีอยู่หกรูปด้วยกันทีนี้เราทั้งหกรูปเนี่ยให้ดูแล้วให้มันเหลือรูปเดียวนะให้มเหลือรูปเดียวเหลือรูปอะไรเหลือรูปของความ รู้สึกนี่พูดกันได่อยเนี่ยให้เรียนรูปของความรู้สึกความรู้ของความรู้สึกนี้เป็นรูปหรือเป็นนามความรู้สึกเป็นรูปหรือเป็นนามอรูปของความรู้สึกเรียกว่านามแต่นะรูปกับนามทสองอย่างตาหูรูปเสียงกิตรสสัมผัสเป็นรูปแล้วความรู้สึกเป็นนามให้ใจไปตั้งอยู่แค่สองอย่างเนี่ย ตลอดถามว่าตั้งอยู่ได้ยากหรือง่ายสมมติว่าเราเอาไขม่มาหนึ่งลูกเนี่ยเรามาตั้งแลวตั้งไข่แต่มันตั้งเนี่ยตั้งได้ไห ม, ไมตั้งขวางก็ายากนะแต่ตั้งโดยทรงทรงตั้งสมัยก่อนนะเวลาเขามีงานอะไร เวลาเสร็จสงการหรือใกล้เสร็จสงการเนี่ยเขาจะมีการอ่าตามวันนอกอะ่ะเขามีการเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าเลี้ยงบรรพบุรุษอะไรกันแล้วทีนี้ก็จะมีคนส่งมาทําเป็นสื่อเลี้ยงแล้วเขาค่อยส่งค่อยส่งว่าของใครอใครจะมาเนี่ยเขาจะทักซื่อชื่อคนนั้นถ้าคนนั้นมาเขาก็ตั้งไขด่ดูมาจริงไหม <c oughs> ถ้าใครเนะี่ยตั้งโดยทรงในในตั้งนะนะก็ถือว่ามาแล้วเสถาก็จับตั้งแล้วไข่ยังตั้งไม่ได้นะี่แสดงว่าหีโดวนั้นยังเรียกยังไม่มาเอาขนานี้ตั้งได้จริงจริงนะแต่สมัยนี้ตั้งได้ไหมตั้งได้ง่ายกว่านั้นท่อไงเออซื้อฐานมันมา <c oughs> ตั้งได้ทั้งแขงเร็วกันเลยนนะยกไปได้สบายไม่กลิ้งไปไหนเลยจับเสถานั่น ไม่ต้องไปเรียกสิผีเรียกทรงยากอนะไรก็ไดะใจเราก็เหมือนกันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่ามีวิธีตั้งมันก็จะตั้งได้ยากอ่าต้องใช้เล่ใช้กลใช้หมุนใช้คาถาถึงจะตั้งได้แต่ถ้าเรามีวิธีการไม่ต้องใช้คาถาอะไรมันมีฐานคือเอาใจตั้งไวท้ที่ฐานของสติเรียกว่าสติปัฐานติปฐานที <c oughs> น, นี้ในกาย ให้ตั้งไว้ในกายตั้งไว้ในแห่งนะในกายเนี่ยกายนี้นแบ่งเป็นหกหนึ่งในกายของเรามีที่จะตั้งไนหนึ่งตั้งไว้ที่ลมหายใจสองตั้งในอีบดสี่ยืนเดินนั่งนอนสามตั้งในอีโบดย่อยรับตาอาปากเคลื่อนไหวหายใจเดี๋ยวใช้ไหลขวากลุ่มเงยเอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นได้แล้วก็สามสี่ตั้งอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตั้งไว้ตรงไหน เรานั่งเนี่ยเป็นธาตุอะไรเนี่ยนั่งไ ด, ได้้คนนั่งได้เป็นธาตุอะไรอัต ด, ดินเรายกไปมาได้เป็นธาตุอะไรอัตลม <c oughs> ที่เราตามเห็นได้เราก็พูดกินเสียงได้จมูกรู้กินลิ้ น, น, นริมรดกายสัมผัสได้เป็นธาตุอะไรธาตุาไฟธาตุไฟท่านรู้แล้วก็อธาตุน้ํา ในร่างกายของเราบางครั้งรู้สึกเย็นบางครั้งรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนไปทัดไปรู้สึกเย็นไปทัดน้าอันนี้เย็นถ้าตั้งไว้ทัดสีหมายเขาว่าให้รู้เอาใจไปตั้งโดยการรู้ก็การขึ้นก็รู้การนั่งเฉยเฉยก็รู้การหายใจเข้าก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้การเข้าไปรู้อาการที่มีอยู่เรียกว่ามันเข้าไปตั้งไม่ใช่ไปจับมันตั้งได้เหมือนกับวัตถุนะมันเข้าไปรู้สิ่งใดหมายเขวใจเราก็ เข้าไปตั้งอยู่กัสินั้นเดียวตั้งอยู่สี่แล้วก็ต่อไปในกายเรามีอาการสามสิบสองคือตั้งแต่ผมคนเรียบฝันหนังไปจนถึงไส้เย่อไส้น้ออาหารใหม่อาหารเก่าไปถึงน้ำมูลน้ำดีน้ำหนองน้ำเลือดน้ำลายไปเรื่อยๆอาการทั้งหมดเนี่ยเยอะๆสาสิบสองส่วนแต่ท่านให้รู้อาการของมันไม่ใช่ไปรู้ทีละอย่าง ถ้ผมเป็นอย่างนี้ขนไปนีเล็บไปนีฟันไปนีดูอย่างนี้นนนนนนนไม่ใช่ไปรู้ที่แหลงแบบนั้นนะแต่ให้รู้อาการทั้งหมดของมันอาการโดยวรวมของมันในขณะ น, นี้ในตัวของเราเนี่ยมีกี่อาการรวมโดยรวมมีกี่อาการให้จนเช้าว่าพูดให้ฟังแล้วเนาะมีกี่อาการมีสามอาการหนึ่งอาการที่สบายมีไหม มีสองอาการที่ไม่สบายมีไหมมีสามอาการที่ยังไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายอาการเฉยเฉยมีไหมมีสรุปแล้วมีสามอาการอาการของกายในเองเรียกว่าเวทนา <c oughs> ไปตั้งอยู่ในอาการเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งของสติได้ไปตั้งอยู่ในลมหายใจไปตั้งอยู่ในเดบุต4สี่ในเดบุตรย่อยตั้งอยู่ในทสี 4, ตั้งในอาการสสอง ตั้งอยู่ในอาการที่ไม่สบายนะหรืออสุภะก็ใจก็สามารถไปรู้ได้ไปตั้งได้เออ้วอาการไม่สบายไปอย่างนี้นะแล้วก็รับรูนะ้ที่ต่อมาไปตั้งในเวทนาคื อ, อาการทั้สามอย่างสบายไม่สบายแล้วก็เฉยๆไปตั้งอยู่ในาฐานของจิตที่ตั้งในความรู้สึกตั้งอยู่ในฐานของอารมณ์คือรู้ว่าขณะนี้มันคิดเรื่องอะไร ใจเขาไปรู้ได้มันตั้งอยู่ตรงนั้นใจไปรับรู้สิ่งใดเรียกว่าละมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าหากว่ามันตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตนี่เป็นปัจจุบันแต่ถ้ามันเป็นตั้งอยู่ในอดีตในอนาคตตั้งอยู่ในความคิดตั้งอยู่ในเราตั้งอยู่ในเขาตั้งอยู่ในบ้านตั้งอยู่ในพ่อในแม่เป็นคนละที่แล้วที่นี้ยตั้งสิ่งเหล่านั้น เรียกว่าไม่เป็นสตินะตั้งอยู่ในอดีตอนาคตไม่เป็นสติแล้วมันก็จะไปตั้งอยู่ในกิเลสดันหาอุปาทานก็นะจะนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนความภูมิแตกนะเอาละทีนี้เราจะรู้ตรงไหนว่าลูกนามรู้จักอาการของเราเออตั้งอย่างเงี้ยไปตั้งอยู่ในลูกในนามแต่ ที่พูดหนึ่งนี้หมายถึงว่ามันยังเป็นความจําอยู่ใช่ไหมถามว่ามันมันจริงเลยยังมันมีจริงเลยยังอาการตรงนี้ใครบ้างหมดตอนนี้มันตั้งอยู่ในกายในใจในรูปในนามจริงๆริงไหมขนาดในใจบางครั้งก็จริงบางครั้งก็ยังไม่จริงใช่ไหมในช่วงที่ไหนที่เรามีสติมันก็ตั้งอยู่จริงๆรินะในช่วงไหนที่เราเพลิสติมันก็ไปตั้งอยู่ที่อื่นแล้วไปตั้งอยู่ที่ไหนที่มันไป ตั้อยู่ในอารมณ์อดีตอนาคตเผือแป๊บไปแล้วไปตั้งที่อื่นแล้วมันไม่ตั้งอยู่ปัจจุบันทีนี้เราจึงมาข ย, านขยานันทําขยันเหมือนเราตอกหลักตอกไปเรื่อยเรืเร่แต่อารมณ์มันเหมือนตะวัวกับไฟกระชักทำนี่เราไปลูกเสีหลักแล้วนั้นถ้าหลักมั้นมันลึกพอไม่แน่นพอเป็นไงมันก็ดึงไปดึงมาเดี๋ยวก็หลุดแต่ความรู้สึกตัวมันใปัจจุบันมันไม่ลึกพอไม่แน่นพออันนั้นทบอั น, นั้นทบนีดอันนี้กระทบหน่อยเดี๋ยวหลุดไปแล้ว หลุด ก, ก็คืสิ่งนั้นวันนี้หลุดอีกครั้งนับไม่ท้วน <c oughs> ไปบ่อยได้เกินเพราะอะไรเพราะมันยังตั้งไม่ลึกแต่ตั้งอยัง ต, ตื้นอยู่เราดึงพึ้นเดียวไปแล้วนะดึงขึ้นเดียวไปแล้วไปไกลกว่าจะดึงจูงมันกลับมาได้มันหายไปนานแล้วอนะยันสองสวันเนี่ยมันจ ะ, จะต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ก่อนนะจนกว่ากิเลสมันจะลา พเกลีมันลามันเชื่องแล้วมันก็จะดึงกลับมาง่ายแล้วทีนี้นะแต่หน้าอันนี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งอ่าเรียกว่าชาติกีฬาแข่งขันกันตลอดเลยสู้กันตลอดแต่บางคนไม่ไหวสู้ไม่เหนื่อยปล่อยมันลากไปเลยนะหมดหมดกําลังสู้กันไปสู้กันมาสู้กับใครสู้กับตัวเองนะ <c oughs> นเนี่ยแสบเนยไม่จบมากีฬาแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าหากเรา <c oughs> วันหนึ่งถ้ามันชนะแล้ ว, ลวเราไปสบายชนะตลอดไปเลยแต่ในช่วงที่เรายังไม่ชนะมันก็สู้อยู่ยงั้นนะดึงกันไปดึงกันมาดึงกันมันก็สนุกอย่างเนี้ยถ้าเราเราเล่นเป็นนะกีฬาถ้าเล่นเป็นนะ้สนุกแต่ถ้าเราเล่นไปเป็นโทุกข์ทรมานนะดังนั้นก็ให้คิดอย่างนั้นนะคิดเหมือนเราเล่นกีฬาเช่นิดหนึน่งสู้กันไปสู้กันมาเหมือนเราเล่นมาลุกมาฟอดมาอะไรก็ได้แต่ทั้ง ดูต้องคอยจ้องดูว่าใครจะไปใครจะมาตรงนั้นอันนี้คือทีการทำใจวิธีการทาใจเพราะนั้นในสมัยที่มาไปเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ที่อเมริกามันมันแปลกนะคนที่นั่นมีความทุกข์มากกว่าเรานะอย่าลืมว่าในประเทศที่เขาํำโดยเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีความเครียดมากมีความ เขาเรีกว่าไรความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นการที่เขาลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาต้องมีความพยายามสูงกว่าเรามากพยายามสูงมากเพราะต้องต่อสู้มากกว่าเราในบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีแค่ประชากรเจ็ดสิบล้านเพราะนั้นกระแสคลื่นในบรรยากาศมันก็เป็นกระแสของคนเจ็ดสิบล้านเนี่ยแต่นั้นคนประมาณสามร้อยล้านเนี่ยกระแสคลื่นของ คนสามร้อยล้านเนี่ยดูว่ามันจะมันจะแรงขนาดไหนนะสัมผัสได้กับกระแสคลื่นของของพลังมนุษย์ในบรรยากาศถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ที่ละเอียดอ่อนนะเราจะสัมผัสได้ดัง น, นความกระแสมันจะหนานแน่นมันจะแรงกว่ากันดังนั้นเองการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำบ้านเรามืองเราได้เปรี่ยบ เพราะอะไรเพราะกระแสะมันยังไม่มากแล้วมันยังกระแสะเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเอือ้อเอือ้อเอือ้อต่อการปฏิบัติอยู่แต่พอเราไปทำในที่อื่นในต่างประเทศเนี่ยกระแสะที่เป็นน e เกติฟเอนเนอรีกระแสะที่เป็นฝ่ายลบเนี่ยมันก็สูงหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธอย่างเงี้นะเพราะนั้นเขาก็จะมีความคิดอีแบบกระแสะก็เป็นอีแบบน เราสู้กับกระแสของของใจเราเองเนี่ยคือหมายความว่ากระแสที่มันจะดึงดูดจิตเราไปได้ง่ายถ้ากระแสมันแรงเพ้อพับมันก็จะไปแล้วเพ้อปับมันจะไปกระแสมันแรงถ้ากระแสข้างนอกมันอ่อนหรือกระแสข้างนอกมันเป็นบวกมันก็จะดึงใจไว้ได้ง่ายะกำหนดรูปปั๊บก็ใจกลับมาถ้ากระแสมันเป็นลบมากๆมันก็ดึงเราไปบ่อยเราจะรู้ว่ากระแสคือตัว กดดันตัวผักดันตัวดึงจิตของเราผักดันจิตแล้วออกในปัจจุบันเถ้ามันมีกระแสแรงเยมันก็ดันออกไปได้ง่ายเราก็ต้องใช้เพิ่มแรงมากขึ้นในการที่จะดึงกลับมาใช้แรงนั้นเองเวลาไปทําที่ทําตัวนึ่งกันทั้งทั้งวันนะทำตัวนึ่งกันทั้งวันทั้งทีสี่ถึสามทุ่มของพวกเรานี่แหละ ถ้าหากว่าเราแพ้กระแสตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไปหมดเลยมาตั้งจุนใหม่กันนี้แล้ในจุดนี้ก็ยังอยากจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมาช่วยเราเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งใจตัวเองให้ได้ทุกวันนี้เรามีใจแต่พึ่งใจไม่ได้มีมีมอานิพานอยู่แต่พึ่งนิพานไม่ได้เพราะเรายังทำ เรายุ่งจับวิธีเหมือนกับเราเลี้ยงปลาไว้ในสระจะเอาปลามากินไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดวิธีการอถ้าเราจะกินปลาไม่ได้กินปลาในบ้านเราต้องไปซื้อปลาที่อื่นมากินเพราะในบ้านปลาที่มีอยู่ในสระปลาในสระนี่หลายเยอะหนึ่งเราไม่มีเครื่องมือเครื่องมือจะจับเพรามันมีแล้วนี้เบ็ดต้องมีแหบ้างมีอวนบ้างมีอะอะไรอ่ะ มียอมมีแล้วแต่เราถ้าบางทีมีเครื่องมือแล้วทาไม่เป็นก็ไม่ได้อีกใช่ไหมก็ต้องทาเป็นเราก็เหมือนกันเรารู้จักวิธีเราเรามีวิธีการแล้วแต่ถ้าใช้วิธีการยังไม่เป็นัวมมรผลนิพพานที่มีอยู่เหมือนปลาเราก็เอาอยัางใช้ไม่ได้เพราะวิธีการที่เราทาไม่ชนานาญเพราะฉะนั้น ตลอดเวลาที่เราฝึกกันเนี่ยจึงฝึกวิธียืนวิธีลุกวิธีนั่งวิธีเดินวิธีขยับวิธีเปลี่ยนเชิงวะวิธีอันเนี้ยวิธีที่จะจับที่จะจับจิตให้อยู่เท่านั้นเลยนะต้องหาวิธีเอาเองบางอย่างวิธีเลี้ยววิธีแลวิธีลุกวิธีนั่งที่เราสวดไม่เกี่ยติโตวาติโตมหิสิปะชานาติ ผู้ปฏิบัติเมื่อยืนอยู่ให้รู้ว่ายืนอยู่การที่เข้าไปรู้ว่าเรายืนอยู่นั่นแหละนั่นวิธีจับเมื่อนั่งเมื่อเดินเมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรากําลังเดินกําลังนั่งกําลังรู้ให้ชัดนะไม่ใช่รู้แบบธรรมดาประชานติว่ารู้ชัดเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อนอนอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเรานอนอยู่ ไอ้ดวรู้ชัดชัดนั่นเองคือวิธีจับจิตให้อยู่ในปัจจุบันคําว่ารู้ชัดกับเพ่งจ้องให้มันรู้ในต่างกันเพ่งจ้องให้รู้หมายความว่าเราบีบบังคับมากเกินไปอันนี้จะมีปัญหามันจะตึงมันจะเครียดมันจะหนักแต่ถ้ า, ารู้ชัดกับสบายๆคือรู้จักแบบประคองรู้บอกว่พอมีมีศิลปะมีศิลปะในการจับอ่ะ มีศิลปนะในการจับคือมีวิธีจับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บางครั้งในทะาหากเพราเรายังไม่เข้าใจแล้วว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เพราะอะไรต้องไปทําอะไรตรงนี้มันจะคิดแปลกไปทางแต่ถ้าเราคิดในมุมกลับโอ้เรื่องนี้เราไม่เคยศึกษาหมด ก, ก่อน น, น่าศึกษานะเพออะราะเหตุใดเขาจึงพูดเกิดถึงเรื่องนี้ผู้รู้ทั้งหลายมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นไปนมาถึง น, นักปฏิบัฑิตคนดีมี ปัญญาคนรู้ผู้ดีทั้งหลายทําไมเขาจึงพูดฉันเ์สืน่นในเรื่องนี้ทําไมเขาคนปฏิบัติเรื่องนี้ทําไมเขาจึงกราบถึงไหว้อืเขาจึงเคารพบูชากันดังหนามันดีอย่างไรมันต้องเกิดการสะกิดขึ้นมาอ่าแล้วคนส่วนใหญ่ทําไมทําไม่ได้หรือทําไมไม่ชอบทํามันเพราะอะไรแล้วก็เริ่มสนใจเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหาวิธีการอธิใจแล้วก็สังเกตคือพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองด้วยนะ ว่าเราจะไปเชื่อตามเขาพูดก็ไม่ได้บางทีเขาพูดโรโม่โฆษณาไปบางทีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถเห็นสภาวะผลอันนี้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดแรงว่าโอจริงถ้าจิตเราไม่คิดมเป็นอย่างนี้อ๋อเ้าจิไม่คิดไปมันรู้สึกอย่างนี้คอยสังเกตไปทีละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างเวลาเรานั่งไปมันเบือ่อเรามีวิธีแก้ไขนี้ว่าเบื่อมันหายไปได้จริงๆนะ แล้นั่งไปมันปูด ม, มั่อยเราปรับอย่างนี้แก้เออมันก็หายไปได้จริงเราเริ่มเห็นอา น, นิสงส์ทเลนิตสั่งสมไปทีละหน่อยและหน่อยแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตแล้วก็ริ่มคุ้นต่อปัจจุบันเพราะได้เห็นความเบาความสบายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขยันปรับไม่ขยันเปลี่ยนไม่รู้จักวิธีปรับเปลี่ยนนะมันก็จะทําให้เราแช่เราตกเป็นเป้าของการทําลายของไตรลักษณ์อานิจังภูขงเขาห น, น้าตาตัวบีบ ย้ำซ้ำเติมกดดันเราให้ไม่สบายเราก็รู้สึกว่าไม่สนุกนั่นเราไม่มีวิธีเราไม่เฉลียวใจพอเราจะไปบอกว่าเออมันไม่ได้ปวดไม่ได้เพราะเราไม่มีความใส่ใจในการที่จะศึกษานะฉังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากหลังจากอตาตมาจับประเด็นนี้ได้แล้วก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ทิ้งเลยนะเราพยายามหาวิธีการให้มัน ดูแล้วมันน่าทำมากขึ้นน่ะเหมือนคนที่เขาวาดภาพเป็นทำไงภาพนี่มันจะสวยจะงามทำไงภาพนี่มันจะมีหลายวิธีทำไงภาพนี่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเขาจะหาวิธีในเทคนิคที่จะวาดภาพฉัน้นใดก็ดีศิลปะในการที่จะไม่มีทุกข์เนี่ยเราจะหาวิธีทำได้ละเอียดขึ้นประณีตขึ้นลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายในวิธีการ ครั้งหนึ่งมาไปตอนนั้นไปอยู่ที่สีดังกาไปอยู่สีดังกาทุกครั้งที่เวลาปิดเทิมตอนนั้นไปทํามาสเตอร์ลิ ก, กีอยู่ที่นั่นเวลาปิดเทิมไปจะไปพักร้อนที่ก่อนกะคกาะไแ ล, น, น, ไลนด์ทวีทเกาอตรงนี้พวกพระชาวยุโรปพักพระชาวเยอรมันอยู่กันเยอะทีนี้มีอยู่ปีหนึ่ง มีอุบาสกชาวไอริสเอาว่าเขาเป็นพุทธนะเขาบวชอยู่ที่อินเดียชีพันาเสร็จ แ, แล้วตอนเข้ามาศรีนักการเขาสึกจับพระเขาเป็นอุบายสกเขาบอกเป็นพระไม่สะดวกวินัยเยอะปฏิบัติยากไปไหนก็ลําบากเขาก็เลยบวชเป็นพระขาวมาอยู่เกาะ น, นั่นด้วยที่นี้วันหนึ่งอามาสนทนาธรรม<า>เขาก็ถามเราว่าอยู่บวชมากี่ปีได้เรียนอะไรมาบ้างปฏิบัติอย่างไรก็คุยกัน ก็บอกว่าปฏิบัติพระนิบทวดพระนี้เราถามอยู่คำอะไรคือหัวใจของผู้ศาสนาเราก็บอกอนิัสสีว่างปฏิสุมบาทว่างโว่าสามบ้างสิิปฐานสีว่างปฎชงเจ็ดบ้างโ<อ>ทั้งหมดไม่ใช่และที่จริงคืออะไรล่ะนะจบอกให้คุณไปคิดกันได้แล้วกัน อ่อวันสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันเอาให้ลู้ให้ที่อยู่เข้ามาแล้วก็เห็นหว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือ skill in means, นะปออ in means เป็นภาษาอังกฤษนะไอ้แปลว่ skill in means แปลว่าอะไร skill แปลว่าอะไรทักษะใช่ไหม in means m e a ตัวนะั้นเติม s นะแปลว่าอะไร มาใช้เวลานานกูจะเข้าใจทีงเมื่อได้ภาษาบาลีกับคำ น, นี้ว่าปุสโลบายพิฉลาดในอุบายใช่ไหมมีอธิบปยว่าอุบายเป็เทคนิคเป็น ว, วิธีการฉลาดในวิธีการที่จะไม่ทุกข์ทุกอย่างเป็นเครื่องมือเป็นอุบายที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ได้ทั้งหมดแต่เราจะฉลาดทำํำไหมเราจะรู้จักวิธีทำํำไหมนี่คือการฝึก ออมาตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยเขาไม่มเป็นไม่ได้ทำไมพุทธศาสนาแปดหมื่นสีสามันทําไมมันเหลือแค่นี้พิจารณาไปเออมันใช่ทุกอย่างที่เราใช้เป็นเพื่อใช้เป็นวิธีการแล้วเป็นอุบายให้การแก่ทุกข์แก้ปัญหาเท่านั้นเองเมื่อเราไม่มีทุกข์มีปัญหาเนี่ยชีวิตต้องการอะไรอีกไหมหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องการอะไรมันไม่มีทุกข์มีปัญหาไม่รู้ไปทําอะไรทําไมไปหาอะไรอีกไม่ไมีทุกข์ไม่มา เพราะนั้นเรารู้จักวิธีแก้ทุกข์แก้ปัญหาเป็นแล้วเนี่ยเราจะเ อ, อะไรอีกเราจะทุกข์อีกไหมไม่มีทุกข์้งหมดโดยปริยายนี่ยเออมาเห็นด้วยอัรคำนั้นได้แก่คาว่าปุสนหรือปุสโลบายนะก็เห็นด้วยกับเขานะคําสั้นๆแต่ว่าสามารถคอนเทนไว้ทั้งหมดถึงความหมายของพุทศาสนาเก็บไว้ทั้งหมด whole, เลยเพระนั้นเองในสิ่งเหล่านี้ยจึงไม่ คนประมาทไม่ควรดูถูกตัวเองและไม่ควรมองข้ามในการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องอุปสรรคมากที่สุดในการฝึกคืออะไรให้นึกออกบ้างคืออะไรสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการฝึกฝนคืออะไรฮะอะไรนะ คนต่อเนื่องเป็นอุปรสรรคได้ไงพอไม่ต่อเนื่องว่างไปพิจเกตกว่างไปมีอยู่อันหนึ่งนะแก้ยากมากเลยสิ่งนั้นเรียกว่าความเคยชินความเคยชินคือคือเราเคยพูดยังไงเคยทำมันมันไปโดยไ ม, ม่รู้ตัวละ่ะทั้งที่เราตั้งใจจะทําอยู่นะแต่เพือปับ๊บมันไปหมดเลยแต่ ว, ว่าจะเดินให้รู้สึกตัวพอเดินไปสัก เก้าสองเก้ามันเพิ่นเผลอเขาไปในอาการคงเคยชินจะได้จะได้รู้สึกตัวก็เดินเบานิ่มพอเผลอปับมันพื้ๆไปเลยเนะี่ยสิ่งที่เราต่อสู้อยู่ก็คือความเคยชินตามภาษาพราะเรียกว่าอาสวะนะอาสวะคืออาสวะนั่นเองนะะความเคยชินมันไหลมันออกมาโดยไม่รู้ตัวอาสวะนี่ถ้าเป็นสาษาังกฤษแปลว่าลีกสับหนึ่ง เราอิมโฟร์นซ์สัมหนึ่งอิมโฟร์นซ์หรืออิมโฟร์คือสิ่งที่มีอํานาจเหนืนอดาวเรืองที่ไม่รู้ตัวนะหรืออีกอย่างหนึง่งคือสิ่งที่มันออกมาโดยเราไม่รู้ตัวเรียกว่าลิกอาอล่กไปว่าอะไรลีเกไปว่าอะไรรั่วรั่วไหลออกมาอความคิดไม่รู้มันไหลออกมาอย่างไหนนะบางครั้งเราระวังอยู่มันก็เผลอไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไงไอความเผลอเนี่ยนั่นคือตัวปัญหาเรื่องบริษัทคือตัวความเคยชินนะ ดังนั้นถ้าหากว่าคนไหนแก้ความเคยชินได้มากที่สุดแต่ความเคยชินนี้เองถ้าแก้ไขได้เราเรียกว่าปรมัติแต่แก้ไขไม่ได้เรียกว่าอาสวะนีะ่แก้ไขได้หมายควา ม, มหมายความว่าสิ่งที่เรารู้โดยจิตมันจะดับทุกมันโดยอัตโนมัติเท่าเราเปลี่ยนความเคยชินได้แต่ถ้าเราแก้ไขมันไม่ได้เปลี่ยนมันไมัไมนเป็น สร้างทุกข์ ด, ด้วยอัตโนมัติใช่ไหมมันไปโลกไปโกรธไปหลง ด, ด้วยอัตโนมัติของมันเลยเรียกว่าความเคยชินแต่พอเรามีสติเข้าไปเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนความเคยชินเป็นความไม่ทุกข์ด้วยอัตโนมัติของมันเองมันกันเรียกว่าปรมัตา์นะอันนี้ก็สูงขึ้นไปนะแต่ว่าปาริศน์ไม่เห็นว่ามันเป็นไปได้ขนาดอย่างนี้แหละนะดังนั้นเองในช่วงของ การได้ศึกษามาวันนี้ให้วันที่หนึ่งมงคลเลยชักไม่แน่ใจโอ้โหขนาดวันแรกเนะเอาจะไปรอดด้วยเจ็ดวัวนเนี่ยนะชักลังเลนะแต่มงคลโอ้โหฮึดสู้นะนี่วันแรกขนาดนี้ถ้าเจ็ดวันน่าจะชัดเจนกว่า น, นี้มากเลยนะเราค่อยคาค่อยศึกษาค่อยเป็นศาสตร์สูงสุดนะอามาว่าเป็นเป็นอริยศาสตร์หรืออริยสันะ์เป็นศาสตร์สูงสุดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงยิ่งเหมือนกัน แล้วก็ไม่มีมาหาลัยไหนจะมาสอนเรื่องเหล่านี้หราเพราะว่าผลของมันมาไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแต่ว่ามันเหนือกว่าเงินกว่าทองเพราะมนุษย์ทั้งหลายต้องการเพียงเงินทองเท่านั้นต้องการเพียงผลตอบแทนเท่านั้นแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ที่สูงขึ้นต้องการสิ่งที่สูงกว่าเงินกว่าทองนั่นคือความไม่ต้องมีเงินมีทองนะแต่วพ่าสูงกว่าถ้ายังมีเงินมีทองอยู่ก็เรียไม่ได้สูงกว่าเงินกว่าทองอ death, ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ด้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินทอง นั่นเรียกว่าเราสูงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆสอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการตอบสนองความต้องการของตัญหาของเราเท่านั้นแต่ว่าศาสตร์อันเนี้ยมันเป็นการอยู่เหนืออยู่เหนือตัญหาซึ่งมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าหลายเท่านะแต่เป็นพยายามที่ใช้เทคนิคใช้ศิละปะไม่ใช่ความพยายามที่แบบการบีบคั้นของความอยากหรือตัญหา แต่เป็นความพยายามที่เหนือความพยายาม <c oughs> ดังนั้นเองเป็นชีวิตที่มันมีศิลปะมีความงดงามในตัวห้องมันเองจะทุกจะเดินจะเหินจะนั่งเนี่ยเรามีศิลปะในการลุกการเดิ น, นกางให้ศึกษาไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะยากอยู่ในวันนี้พอทำทุกวันทุกวันไม่มีอะไรยากออกมันค่อยเป็นไปเอง <c oughs> มาเคยถามไปบ่อยว่าวุณจะขับรถเป็นคล่องอย่างเงี้ยคุณขับมากี่วัน จำได้ไหมทำมากี่เดือนไม่รู้อ่ะมันค่อยเป็นเล้นนิดนิอนะอเนี่ยอ่าอาจารย์สุพีอาจารย์จริยุทธนี่แหละว่ารองเท้าที่เราใส่เนี่ยจนถึงวันหนึ่งเราเห็นมันสึกไปเนี่ยถ้าจะถามเราว่ารองเท้าคุณสึกณวันไหนเนี่ยเราตอบได้ไหมมันสึกวันไหนมันสึกทุกวันเน่ยแต่วันนิดๆนนีๆ เหมือนกันจิตของเราที่มันมันหนาแน่นด้วยกิเลสถ้าเราเอาตัวสติสมญ伽ไปบดไปรูปไปกดไปดันไปขัดไปเกาันทุกวันทุกวันมันก็สึกกิเลสมันก็สึกไปทุกวันทุกวันได้เหมือนกันถามว่ามันสึกไปวันไหนไม่ได้มันมีตลอดเวลาแหละตามอะไรที่เราบดเราขัดเราขัดเราเกามันอยู่เนี่ยนะดังนั้นศิลปะในการที่การขัดเกาเนี่ยเป็นศิลปะที่สูงยิ่งอนะ เราก็พยายามฝึกฝนในช่วงที่เรามาฝึกฝนเจ็ดวันเนี่ยเรามาฝึกฝนศิลปะในการอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ทุกนั่นเองแล้วเมื่อคนไหนตั้งใจคนนั้นก็จะสามารถทําได้ง่ายและเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเย็นวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์เอกวุฒิได้ให้ตัวอย่างชีวิตว่าชีวิตของท่านมีความพร้อมมาทุกอย่างแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งไปยังไม่ถึงะนะมันก็เลยทำให้เหนื่อยไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่าจะไปจบเมื่อไรที่ไหนพอหันเหกลับมาชีวิตอีกมิติหนึ่งมันกลับมองเห็นมองเห็นว่ามันจะมีจุดจบมันจะมีที่จบมันจะมีความอิ่มความเต็มความพอได้ไม่ยากนะักแต่ว่าเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ศรัทธา ใช้ความเพี่ยนเป็นเงื่อนไขหลักในการที่จะเข้าถึงนะช่วงเญ็นวันนี้ก็สมควรเวลาก็ขอนุโมท น, า, นาสาธุให้เราได้ไปศึกษาแล้วก็พักผ่อนอยังมีสติมีศิลปะในการพักผ่อนในการที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ยากหรอกแต่การที่จะไม่คุยกันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปแะขอให้เราเข้าใจ เปลี่ยนแปลงของเฟชชีเล็กเล็กน้อยเหล่านี้ให้เป็นศิละปะในการดับทุกข์ด้วยการโรู้คนทุกทันเอือ